ฝันร้ายกลายเป็นจริงอ่อนเป็นคนที่มักจะฝันบอกเหตุล่วงหน้าซึ่งจะฝันก่อนเกิดเหตุอยู่หลายวันเมื่อประมาณต้นเดือนเมษาพุทธศักราช2521อ่อนฝันว่ามีผู้ชายขับรถตามอ่อนเพื่อจะฆ่าให้ตายอ่อนกลัวสุดขีดหนีสุดชีวิตจนขึ้นไปอยู่บนบ้านหลังหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครบ้านเนี้ยแปลกมีเสาเดียว อ่อนนั่งแอบอยู่ในบ้านด้วยความกลัวสุดขีดกลัวว่าคนที่วิ่งไล่มาจะตามมาทันอ่อนต้องตายแน่ๆใจอ่อนเต้นไม่เป็นสัมใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสั่นไปหมดแอบนิ่งอยู่ไม่นานชายคนนั้นก็ตามมาพบอ่อนจนได้เขาพูดขึ้นว่าอ้ออยู่นี่เองแล้วก็เงื้อดาบฟันลงมาที่ตัวอ่อนอ่อนรีบกระโดดหนีลงมาจากบ้านแต่ก็หนีไม่พ้นถูกฟันเต็มที่ แต่พอลงมาถึงพื้นแล้วอ่อนกลางมือออกทั้งสองข้างแปลกใจมากที่ตัวเองยังไม่ตายถึงกับถามตัวเองว่าเรายังไม่ตายเหรอเนี่แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นในตอนเช้าของวันที่13าเมษายน2 5 2หนึ่งซึ่งเป็นวันสงกรานเป็นวันหยุดแต่เจ้านายให้มาทำงานเพราะมีงานค้างอยู่มาก พบเพื่อนรักจึงเล่าความฝันให้ฟังเพื่อขอความเห็นเพราะความฝันทําให้ไม่สบายใจเพื่อนได้แต่ปลอบใจว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีอ่อนก็เถียงเพื่อนอยู่ในใจว่ามันน่ากลัวจะตายใจยังสั่นอยู่เลยเป็นอันว่าเช้านั้นทั้งเชา้าไม่เป็นอันทําอะไรเพราะใจไม่นิ่งกังวลอย่างบอกไม่ถูกใจลอยตลอดเชา้า ร้อยเหตุการณ์ที่อ่อนฝันก็เกิดขึ้นจริงๆขณะนั้นเป็นเวลา12นาฬกา50นาทีหลังจากอ่อนรับประทานอาหารกลางวันแล้วมือเกิดไปจับสายไฟตรงที่สายถลอกเข้าพอดีอ่อนไม่ทันได้เห็นเส้นลวดทองแดงที่โผล่ออกมากระแสะไฟฟ้าวิ่งผ่านเข้าตัวอ่อนเต็มที่จนยืนนิ่งสนิทเหมือนหุ่นไล่กาตามท้องนาเลยรู้สึกว่ามีกระแสะไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวอย่างแรงขยับปากจะตะโกนเรียกเพื่อนให้ช่วย ก็ไม่มีเสียงออกมาเลยตัวแข็งตรงทื่อภายในตัวมีความรู้สึกร้อนไปหมดเหมือนมีความร้อนก้อนมหือมาในตัวแต่อ่อนจิตยังอยู่กับตัวรู้สึกตัวว่ากำลังจะตายเพราะไฟดูดแน่นอนเพราะมันนิ่งเบาไปหมดลอยลอยอ่ อ, อนเร่งรวบรวมจิตให้นิ่งไหนๆจะตายแล้วก็ขอให้ตายกับพุโทโธ ใจก็เร่งภาวนาพุโทโธพุโทโธตลอดเวลาไม่ให้ขาดพอมีความรู้สึกอยากจะหลับหนังตาค่อยๆปิดแต่ใจยังห่วงสังขารอีกกลัวศพไม่สวยปากที่อ้าค้างอยู่ก็ค่อยๆปิดลงและจึงหลับตาจิตคิดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงอีกแล้วทำใจให้สบายดีกว่าปล่อยวางให้หมดอ่อนประคองจิตไว้ไม่ให้วอกแวก คิดว่าเรากำลังจะละโลกนี้ไปแล้วนี่เป็นเพียงความฝันที่ได้มาเกิดในโลกนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราก็ไปเกิดใหม่ในอีกภพหนึ่งใช้เวรใช้กรรมกันไปเป็นภพเป็นชาติชีวิตมนุษย์ก็มีอยู่แค่นี้มาแล้วก็จากไปไม่มีอะไรให้ยึดถือได้เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นและเหมือนวิญญาณกำลังลอยออกจากร่างกายทางศีรษะค่อยๆหลุดออกเหมือนกาลังถูกดึงหลุดออกมาจากเปลือกที่เป็นร่างของเรา